ววนนยี่สิบสามลนะวันนี้วันที่23กรกฎาคมพุทธศักราชสองพันห้าะวันนี้คณะครูบาอาจารยออ์ผอสพ ป, ป, ปเขต4คือจังหวัดอุดรขอเรามีอยู่4เขตแต่เขตของเราเป็นเขตที่4มีอยู่สี่อำเภออำเภอบ้านผือ อำเภอกุดจับอำเภอน้ําสมอำเภอนายูงเป็นสี่อำเภอวันนี้คณะครูบาอาจารย์ที่ท่านพออที่นั่งอยู่ข้างๆหลวงพ่อเนี่ยจะพาหมู่ครูบาอาจารย์มาออกค่ายปฏิบัติธรรมทั้งหมดก็ประมาณเกือบสองคนแต่ว่าวัดของเราวัดของหลวงพ่อเนี่ย ใช่จะว่าไปครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครั้งแรกที่รับคณะมากถึงขนาดนี้แต่ ก, ก่อนไม่เคยแต่เมื่อวา น, นก็เกือบ 2-300 คนเหมือนกันมาจากชัยภูมิอำเภอบ้านแท่านอันนั้นก็มากราบมาไหว้แล้วก็หลวงพ่อก็มีอะไรก็พูดให้ฟังได้แสดงทำให้ฟังจากนั้นก็ได้แจกหนังสือแจก M อ็ก็แยกย้ายกันกลับอันนี้คือธรรมดา เคยมีมาอยู่สม่ำเสมอมาถึงแล้วก็บางทีก็มานอนคืนหนึ่งแล้วก็กลับไปตอนเช้า ก, ก็กลับกลางคืนก็มีการไหว้พระแล้วก็ฟังธรรมอางนี้นก็นานๆมีแต่ที่จะรับมาปฏิบัติธรรมจริงๆอย่างคราวนี้เนี่ยคนตั้งเกือบ200แล้วก็พักตั้งแต่วันที่23กลับวันที่27ิหลวงพ่อยังไม่เคยรับ พอข่าวนี้เป็นการรับครั้งแรกเป็นการทดสอบเป็นการทดลองอีกต่างหากว่าการรับคู่คนขนาดนี้จะมีปัญหาอะไรบ้างไหมคือการรับข่าวนี้เป็นการทดสอบแต่ว่าต่อไปภายภาคหน้าเมื่อทดสอบดูแล้วเป็นยังไงถ้าผลออกมาเปน็นในทางที่ดีก็ก็ค่อยว่ากันอีกต่อไปแต่ถ้าว่าออกมาแล้วื่น กึง่งเราก็ต้องนํามาพิจรารณาวิเคราะห์ว่าอจะได้แก้ไขอย่างไรทําไมมันออกมาลักษณะอย่างนี้แต่ถ้าออกมาแล้วไม่เป็นที่พอใจสําหรับผู้มาด้วยสําหรับเจ้าของสํานักสถานที่ด้วยอันนั้นก็แปลว่ามันตํากว่าเกณฑ์แต่ไม่ยรู้จะทําไปเพื่ออะไร เ, เราก็ต้องยกเลิกโครงการทําไม่ได้ ไม่ใช่วาสนาบา ร, รมีของเราจะทําจุดนี้ทําจุดนี้ไม่ได้เพราะไม่ใช่บา ร, รมีของเราจุดนี้สิ่งเหล่านี้หลวงพ่อได้คิดไว้ในใจไว้แล้วที่จะรับคู่คนเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าภาระกิจทุระภาระของหลวงพ่อเนี่ยก็ตามลําพังก็แต่ละวีละวันก็หนักหนาสาหัสพอสมควรอันนี้ก็คล้ายๆบ่าเพิ่มภาระเข้าไปอีก เพิ่มภาระจุดนี้ก็เพิ่มภาระให้แก่พระสงฆ์ภายในวัดด้วยจะต้องเป็นหูเป็นตาช่วยกันดูแลแต่จะให้หนักหนาทางด้านวัตถุไหมไม่ไม่หนักหนาหลวงพ่อไม่ได้หนักใจทางด้านวัตถุเรื่องอาหารการบริโภคเรื่องที่พักพ้าอาศัยหลวงพ่อไม่หนักใจแต่หนักใจสําหรับผู้คนเข้ามาเกี่ยวข้องมีนานาจิตตังนานาทัศนะความเห็นของผู้คนแตกแต่ต่างกันจะ หลอมหรือว่าโน้มน้าวจิตใจของคนตั้งเกือบร้อย200 อ, อยคนให้เป็นแนวแถวเดียวกันหรือว่าไปใกล้เคียงกันมันไม่ใช่ของง่ายๆแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ท่านเหล่านั้นที่จะเข้ามาศึกษาการล้วนแล้วแต่ได้รับการศึกษาทางโลกมาอย่างมากมายเ อ, อถ้าจะว่าไปแล้วก็ เ, เ, เต็มพุงในความ เป็นอยู่ทุกๆ ท, ท่านแล้วขมาคราวนี้มาศึกษาเรื่องอะไรแต่ทางโลกนั้นท่านศึกษาเต็มไม่แพ้ใครแต่เรื่องพระพุทธ ศ, ศาสนาเรื่องจิตภาวนาในทางพระพุทธศาสนาที่พวกเราหล่อห ล, อ, ลอมทางด้านจิตใจเนี่ยพวกท่านเหล่านั้นยังย่อนอยู่เพราะนั้นจึงได้เข้ามาศึกษาในจุดนี้เพราะหลักพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านเน้นหนักเรื่องของใจ ใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจแต่นี้ทางวิชาทางโลกวิชาคือความรู้มีแต่เรียนเรีย น, ขนแขนงนี้ยังขนแขนงนั้ น, ขนแขนงนั้นยังขนแขนงนี้มันไม่มีวิชามากมายในโลกมหาวิทยาลัยแต่ลมหาวิทยาลัยก็มีแต่ละขนแขนงอีกต่างหากจากนั้นก่อนในโลกต่างประเทศของเขามีมากมายอีกแต่พวกเราคิดดูสิว่า ขนาดเพียงแพทย์อย่างเดียวก็ไม่รู้ว่ากี่แขนงหมอตาหมอหูหมอจมูกหมอผิวหนังหมอลำไส้หมอตับหมอปอดหมออะไรต่อเมื่อไรแต่ว่าหมอรวมก็มีเหมือนกันรักษาได้ทุกโรคแต่ไม่เก่งแต่ถ้าหมอเฉพาะทางแล้วก็ต้องเก่งต้องรู้ได้นี่ก็เหมือนกันเพียงแต่หมออย่างเดียวเราก็รู้ได้ว่า วิชาในโลกนี้มีมากเพราะฉะนั้นใครก็ตามอย่าไปอวดเก่งอวดกล้าว่าข้าพเจ้านี่รู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างถ้าพูดไปมากเท่าไหร่ก็ยิ่งแสดงความโง่ได้มากขึ้นให้คนได้เห็นว่าทําไมโง่ถึงขนาดนี้ทําไมกล้าพูดถึงขนาดนี้วิชาในโลกนัะมีมากมายขนาดพระพุทธเจ้าท่านก็นยังตรัสท่านว่าท่านสยาภูรู้แจงโลก สมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่ขอบสระมีสระน้ำใหญ่อยู่ในป่าแห่งหนึ่งพอท่านไปนั่งแล้วพระสงฆ์ทั้งหมดห้าร้องค์มาร่วมเพื่อจะฟังธรรมในป่าพระองค์ก็ได้เอามือกวาดใบไม้ประดูอยู่ข้างที่ประทับของพระองค์ออกมาขึ้นมากำมือหนึ่งกวาดใบไม้ประดูขึ้นมากำมือหนึ่งพระองค์ก็ถามพระสงฆ์ ที่นั่งร้อมรอบอยู่นั้นว่าดูก่อนพระสงฆ์ใบไม้ประดู่ที่ตกหล่นอยู่ในพื้นแผ่นดินเนี่ยกับใบไม้ประดู่ที่อยู่ในก ร, ร ม, มือของเราอันไหนมากกว่ากันพระสงฆ์ก็ตอบว่าใบไม้ตกอยู่ในแผ่นดินมากกว่าพระเจ้าค่ะใบไม้อยู่ในก ร, ร ม, มือของพระองค์มีหน่อยเดียวพระองค์ก็ตอบว่านี่แหละันใดภิกษุทั้งหลาย ทำคำสอนของเราตถาคตเนี่ยที่เราได้ตัดรู้ที่โคลนต้นโพที่เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่าสยามภูรู้แจ้งโลกเหมือนกับใบไม้อยู่มันหล่นเต็มเกลื่อนไปหมดมากมายแต่ที่เรานํามาสอนพวกท่านทั้งหลายเนี่ยเหมือนกับใบไม้อยู่ในกำ ม, มือเราเอามาสอนสิ่งที่จะเป็นประโยชน์แล้วก็เห็นโทษแล้วก็จะทําให้ เกิดความเบื่อหน่ายใครก็จะหลุดพ้นจากอาสวะคิเลศเข้าสู่พายในผพานไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกเป็นอนันตการอันนี้แหละที่อยู่ในกำรรมือของเราที่เราจะสอนแนะนำสั่งสอนพุทธบริษัทสึ่คือมีทานมีศีลมีภาวนาที่เราจะสอนแต่ว่าเรื่องทานอย่างเดียวก็มากมายเรื่องศีลอย่างเดียวก็มากมายเรื่องจิตภาวนาอย่างเดียว ก็มากมายจนมีพระธรรม8ป0 0พันพระธรรมคะขันนี่คือทำคำสอนของพระพุทธเจ้านะนี่แหละเพราะนั้นเรานำทาสอนพวกท่านทั้งหลายเนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบแล้วเหมือนใบไม้ประดู่อยู่ในการร ม, มือของเราเพียงกรรมเดียวแนทะ้วิชาอาชีพที่เราจะสอนศาสตราอาวุธเพลงอาวุธเพลงศาสตราวิธีสู้รบ คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เราก็รู้แต่สอนไปแล้วปีจต่ทำให้โลกติดทำให้โลกลุ่มหลงมัวเมากับกิเลสโลภโกรดหลงสอนไปเท่าไหร่ก็ยิ่งติดแต่ว่าทำคำสอนของเราตะถากรท่านสอนเข้าไปแล้วให้รู้แจ้งเห็นจริงให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายไม่ยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางนี่แหละคือทำคำสอนของเราที่เรา มาแนะนําสั่งสอนพวกท่านทั้งหลายอันนี้พระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าท่านไม่พูดท่านพูดไว้แล้วในพระไตรปิฎก เ, เพราะฉะนั้นในหลักของพระพุทธศาสนาเท่าทห้เราศึกษาท่นี้ให้เราศึกษาว่าการไปรพิสปฏิบัติของเรานั้นควรทําอย่างไรแต่วิชาทางโลกนั้นมีมากอย่างที่หลวงพ่อได้พูดใครอย่าไปอวดออข้าเก่งภาษา ภาษาก็เพียงแค่หางอื่นเท่านั้นเองภาษาภาษาไทยพังครั้งก็ยังผิดพลาดไปได้เอคนที่เก่งกว่าเราก็มีอีกและภาษาในโลกมีกี่ภาษาเรารู้ไหมภาษาเหล่านั้นที่เราไม่รู้นั่นคืออะไรเราโง่ใช่ไหมเมื่อเราไม่รู้ใช่เราโง่นะเพราะฉะนั้นเราจะว่าเราฉลาดได้ยังไงเรื่องภาษาเรื่องคณิตวิตย์อะไรก็ตามมันล้วนแล้วแต่มันมีมากมายเพราะฉะนั้น รู้ในสิ่งที่เรารู้เท่านั้นเองอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายอย่างครูบาอาจารย์จะเข้ามาศึกษากับหลวงพ่อวันนี้ก็เหมือนกันหลวงพ่อคิดว่าหลวงพ่อรู้กว่าพวกครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็แล้วกันเรื่องจิตตภาวนาเรื่องหลักของพระพุทธศาสนาพอคณะครูบาอาจารย์มีแต่เรียนวิชาอย่างอื่นวิชาทางโลกแต่หลวงพ่อเนี่ชีวิตทั้งชีวิตตั้งแต่อายุ11ปี บวชในพุทธศาสนาเึ็นสมรรณามาถึง8ปดนีบวชมาตั้งแต่ปี 082,500 ปดนห้าร้อีในสองพพวกเรานับดูสิว่าข้อมือของเราชีวิตของหลวงพ่อฝากหวังไว้ในพระพุทธศาสนายาวนานกี่ปีเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงมั่นใจว่าหลวงพ่อจะรู้กว่าพวกท่านทั้งหลายเกี่ยวกับหลักของพระพุทธศาสนาจะพูดเรื่องศีลเตืองสมาธิเรื่องปัญญา หลวงพ่อคิดว่าจะรู้กว่าแต่วิชาทางโลกหลวงพ่อยอมแพ้ในภาษาอังกฤษยังไงคณิตยังไงวิทย์ยังไงที่พวกท่านทั้งหลายเรียนมานะั้นหลวงพ่อไม่รู้แต่หลวงพ่อเรื่องพุทธศาสนาหลวงพ่อรู้กว่าพวกท่านทั้งหลายก็แล้วกันนะเพราะฉนั้นเวชาทางโลกอย่างที่หลวงพ่อได้พูดในสิ่งไหนที่เราไม่รู้เราก็ไปหาท่านผู้รู้รู้กว่านะแต่ท่านเรารู้อย่างที่ท่านรู้แล้วเราก็ไม่จําเป็น จะต้องไปศึกษาในเมื่อเรายัางไม่รู้เราก็ต้องไปศึกษาเพราะน่าหลักของพุทศาสนาเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นเรื่องมาทางด้านจิตใจไม่ใช่วิชาทางโลกทั่วไปเหมือนกับวิชาที่พวกเราได้เรียนได้ศึกษาถ้าวิชาทางโลกหลวงพ่อเปรียบเทียบว่าเหมือนกับเรามีไฟฉายกระบอกหนึ่งอยู่ในมือพอเปิดสวิตเข้าไปแล้วก็ฉายไฟไปข้างหน้าคล้ายๆว่าโลกนี้มืดมนอันตรการ พอสองไปไปเห็นต้นไม้ก็ไปศึกษาเรื่องต้นไม้ไปถึงก้อนหินก็ไปศึกษาเรื่องก้อนหินไปถึงจอมปลวกก็ไปศึกษาเรื่องจอมปลวกไปเห็นช้างก็ศึกษาเรื่องช้างในโลกนี่นมันมีมากแต่หลักของพุทธศาสนาท่านไม่ให้มองไม่ให้ดูสิ่งเหล่านั้นท่านให้มองเข้ามาหัวเทียนไฟฉายเนี่ยหัวเทียนไฟฉายสิ่งทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากนี่ทั้งหมดท่านดับปิดสวิตซ์ซะ มันจะไม่เห็นสิ่งเหล่านั้นเพราะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าเรื่องทั้งหลายออกไปจากใจทั้งหมดเพราะพุทธศ า, าสนามองเข้ามาหาตัวผู้รู้คือใจตัวนี้แหละตัวเหตุใหญ่ที่ทําให้โลกทั้งหลายยุ่งเยิงวุ่นวายเพราะออกไปจากหัวเทียงไฟฉายตัวนี้นี่แหละหลักของพุทธศ า, าสนาท่านไม่ให้ดูข้างนอกท่านดูข้างนอกไป ม, มีที่สิ้นสุดไถ่ย้อนเข้ามาหาตัวผู้รู้คือใจและจบ นี่แหละหลักของพุทธศาสนาให้เราได้ศึกษาได้เรียนรู้แต่ว่าที่เราจะมาให้จุดจบจุดนี้แนหะมีวิธีกรรมอย่างไรนี่นายต้องศึกษาอะไรวเนี่ยวิธีกรรมของพุทธศาสนาต้องมีวิธีกรรมอย่างไรที่จะมาถึงจุดจบจุดนีนะ้ทําอย่างไรเพราะพระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาเป็นเวลาทั้งหปีท่านยังได้หลักธรรมคาสอนมาประกาศเผยแพ่ให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษา อันนี้ก็ขอพูดให้แก่คณะกรรมกาญาติโยมที่ฟังทําไมหลวงพ่อจริงรับเป็นปฐมฤกษ์หลวงพ่อทดลองนะสรุปแล้วคือทดลองถ้าไม่ลองก็ไม่รู้นะถ้าลองไปแล้วผลออกมายัางไงไม่กี่วันสามสี่วันพวกเรากคงจะรู้กันประเมินผลได้นะแต่ถึงยังไงพวกครูบาที่ไม่ได้เกี่ยวข้องก็ให้หลีกเลี่ยง ในทางเดินทางนี้ให้หลบไปทางอื่นก่อนเพราะวัดของเรามีถนนหลายเส้นนะให้หลบหลบไปหลบไปทางอื่นไม่ควรจะเพ่นพ่านอุบายจา์เข้ามาให้อยู่ในความสงบสะก่อนแต่ก็ช่วยๆกันดูเพราะพวกเรามีหน้าที่เป็นวัดของเราช่วยดูแลความเรียบร้อยเพราะพระทุกองค์อย่างที่หลวงพ่อได้นับดูเมื่อกี้นะตั้งสามสิบกว่าองค์นา่ากิ่งสิบสามเลย รวมกันในวัดของเราก็มากพอสมควรกำลังที่จะดูแลวัดวาศาสนาที่เรารับคณะสิทธิอนุสิ์หรือว่าครูบาอาจารย์รวดาใครก็ตามที่มาเกี่ยวข้องกับวัดเราอันนี้คือทายาทของเราคือทายาทถ้าเราปิดประตูวัดสะไม่ให้มีใครเข้ามาถ้าไม่มีคนเข้ามาพระพุทธศาสนากอต่างคนก็ต่างปิดวัดของตนเอง แล้วพระพุทธศาสนาจะร่งเรืองไปได้อย่างไรสิ่งเหล่านี้พวกเราต้องได้คิดพวกเราต้องมีทายาทพวกเราต้องมีพวกพ้องต้องมีญาติญาติธรรมเพราะฉะนั้นการที่จะให้ญาติธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องทำอย่างไรนี่แหละก็ต้องมีน้ําจิตน้ําใจมีความเฉลียวเผื่อแผ่สิ่งไหนที่ควรจะรู้ควรจะได้ศึกษาควรจะบอกกล่าวก็บอกกล่าวกันให้ รับรู้รับทราบ พ, พวกท่านเหล่านั้นเมื่อรับผู้รับทราบแล้วขายายผลแนะนําสั่งสอนคนอื่นคนอื่นก็รู้แจ้งรู้จริงในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาก็เจริญงอกเกยไปเรื่อยๆเพราะหลักพุทธศาสนาเป็นหลักเหตุผลพู่ง่ายๆฮะหลักเหตุผลหลักของพุทธศาสนาเหตุผลคืออะไรทุกใครก็มีเหตุมีผลด้วยกันทั้งนั้นแหละใช่แต่ออกมาวิเคราะห์ดูซิ คำทำคำสอนของพระพุทธเจ้ามีเหตุผลอย่างไรทางเราวิเคราะห์ออกมาแล้วหลักเหตุผลของพระพุทธ ศ, ศาสนาหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองอันนี้หละคือหลักเหตุผลคือไม่ผิดพลาดหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองถ้าใครตอบว่าหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสามหนึ่งบวกหนึ่งเป็นห้าแปลว่าผิดเดินผิดที่ผิดทางถ้าดึงบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกสองเป็นสี่สี่บวกสี่เป็นแคือหลักเหตุผลบวกไปเรื่อยๆถูกไปเรื่อย เ, เพราะมันลงตัวอมันมีเหตุผลในตัวของแต่ละเรื่องนี่แหละคือหลักเหตุผลของพระพุทธศาสนาอย่างนั้นถ้าเราวิเคราะห์ออกมาแล้วจะรู้ได้อย่างนั้นสรุปแล้วก็คือหลักของพุทธศาสนาเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์ไกลๆนะถ้าเราถ้าเราศึกษาแล้วะอย่างไอชตรายที่เขาเขียนไว้ในอความคิดของเขา เขาวา่าให้เขานับถือาศาสนาเนี่ยเขาจะนับถือาศาสนาพุทธอันนี้คือค้ายๆว่าวิทยาศาสตร์ที่เป็นที่ยอมรับของโลกเนี่ยที่เขาคิดปรมมานุเนี่ยแต่ว่าหลวงพ่อว่าเขาคิดเอาใช้ความคิดไปนในทางที่ถูกเป็นการสร้างสรรค์อย่างพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคิดเหมือนไอชตาลไอชตายเห็นด้วยกับ ทำคาสอนของพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าใช้ทำคําสอนของท่านประกาศเผยแพ่ออกมาโลกทั้งโลกร่มเย็นเป็นสุขถึงสองพันกว่าปีนำมาคิดดูก็ยังใช่อยู่แต่อายสตรายความคิดของเขาคิดเพื่อสังหารทำไมเขาคิดปรามนุสังหารเห็นไหมจิบหายวายปวงเลยไปย่อนลงที่ญี่ปุ่นสงครามโลกครั้งที่สอง ยังจําไม่ถึงกระทั่งเดียวนี้ใครๆก็ขาดขยาดกลัวไปหมดเลยอันนั่นแหละคือความคิดเขอคิดประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วก็สังหารได้ถ้าคิดประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วเผยแผ่ให้เป็นธรรมก็ได้มันได้ทั้งสองอย่างใจของเราใจของมนุษย์ชาติแต่ว่าในส้สต ร, รายเขาก็บอกว่าถ้าวักให้เขานับถือศาสนาแล้วเขาจะนับถือพุทธศาสนาก็คืออะไร คือมันย้อนมาหาตัวผู้รู้คือใจอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวท่านเรียนทางโลกไปมิตรหวังทางโลกลมๆมแรงแรงไปเรื่อยแต่หากว่าจะคิดเข้ามาหาสู่จุดใจแล้วนะั่นจุดนี้แล้วเป็นจุดที่ระเบิดเป็นจุดที่มีพลังใจนะั่นแหะมีพลังที่พร้อมที่จะสั่งอะไรทําได้เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะที่พวกเราได้นับถือพระพุทธศาสนานะัว่าเป็นผู้มีบุญเป็นผู้โชคดีนะ ขนาดวิทยาศาสตร์ระดับไอสตรายเขายังประกาศออกมาว่าทำให้เขานับถือาศาสนานเขาจะนับถือพระพุทธศาสนานเขาว่าอย่างนั้นนะแต่หลวงพ่อเขาไม่ได้ยินจากปากไอสตรายแต่ว่าได้ยินที่เขาเขียนไว้นะตอนนี้ไปรับพร อ, อนุโมทนาให้พร